ร้องเสียงใสอาจไม่ใช่สุขสันเน์หรือเพลงแบบร้องกันควรขอบขันหรือควรวญแงงกี่พบเป็ดแสงสีนกเงียบชีในช่องเชนคว่งค ว, ว้าเพื่อน ค, นครวญแงงและเลิก เ, เ, เองหัก กี่พ้ติดแสงสีนกเงียบชี้ในช่องเช้าค ว, วามคว้เาเพิครึ่งเพลงเลิศเลอเองหากผู้ทันกี่พ้อติดแสงสีเลิศเลิอเองหากรู้ทัน Keep up, กายนี้ฉันคงแห้งทุกสักแสนด้วลูกคันถนอมทุกคืนวันแต่แล้วมันยังเสียไปพบผ่านเพื่อพลาดพรากทุกกิ่งมาหากหยุดไว้หยุดฟุง้งปรุงจิตใจปล่อยผ่านไป เพื่อหมดขันลงย I ดขัน。 เพื่อหมดคันลงยึดันทุกคั้พอวังันครองมันติดรงจงรู้ทัน